คว่าท่านไม่หวั่นไหวด้วยอำนาจตันหาทิฏกิเลสมานะทุจิริกรรมไม่ว่าจะในอบายโลกนะอบายะโลกมนุสโลกเทวโลกหรือว่าขันธาต์อายตนะโลกเพราะฉะนั้นความหวั่นไหวในโลกไหนๆไม่ได้มีแก่พระอรหันตขีนาศกใดเพราะอะไรเพราะท่านเป็นผู้สงบแล้วคือเพราะเป็นผู้มีราคะสงบนะโทสะสงบโมหะสงบท่านสงบราคะโทสะโมหะได้แล้ว เพราะฉะนั้นท th ่านเข้าไปสงบแล้วระงับแล้วด has ับแล้วระงับเฉพาะแล้วเพราะเป็นผู้สงบแล้วถึงความสงบแล้วเข้าไปสงบแล้วเผาแล้วดับแล้วปราดแล้วระงับเฉพาะซึ่งความโกรธความผูกโกรธความลบหลู่ความตีเสมอริสยาตรนีความลวงความโอ้อวดความกระด้างความแข็งดีความเมาความประมาทกิเลสทั้งปวงทุจริตทั้งปวง ความกวนกวายทั้งปวงความเร่าร้อนทั้งปวงความเดือดร้อนทั้งปวงอกุศลาภิสังขารทั้งปวงท่านสงบหมดแล้วสงบบาปสงบอกุศลสงบสมุทัยสัตว์สงบกิเลสตัณหาใต้หมดเกลี้ยงไม่มีเหลือวิทูโมเนี่ยนะคำเรียกว่าเป็นเหมือนควันเนี่ยคำว่าเหมือนควันก็คือทุตเจริตสาเนี่ยกายทูตเจริญวจีทุจริตมโนทุจริตอันผ้ารหันเนี่ยกำจัดแล้ว ขจัดแล้วทําให้เหือดแห้งแล้วทําให้สิ้นสุดแล้วเพราะนั้นแคกว่าดับกิเลสเพียงดังควันเนี่ยนะราคาโทสะโมหะความโกรธความผูกโกรธเนี่ยนะความลบลู่ตีเสมอริษยาตนาฏความลวงความโอ้อวดความกระด้างความแข็งดีความเมาความประมาทกิเลสทูจริญความกวนกวายความเร้อร้อนความเดือดร้อนอกุสลาพิสังขารเนี่ยอันธาหันตะขีนาศบกําจัดแล้วทําให้เหือดแห้งแล้วทําให้สิ้นสุดแล้ว คําว่าเที่ยวเหมือนดังควันเนี่ยนะก็คือบาบอกุศนที่เหมือนดังควันเนี่ยความโกรธท่านกล่าวว่าเป็นดังควั น, นตัวความโกรธเนี่ยมันเหมือนควันจริงๆเหมือนคาถาที่ว่าดูก่อนพรามท่านมีมานะเป็นเหมือนเครื่องหับมีความโกรธเปรียบเหมือนควันมีการพูดเท็จเปรียบเหมือนขี้เถ้ามีลิ้นเปรียบเหมือนทับพีหารุไยของท่านฮารุไทยของสัตว์ทั้งหลายเปรียบเหมือนสถ า, านที่บูชายัญของท่าน ตนที่ฝึกดีแล้วเป็นกําเนิดของบุรุษเนี่ยนะเป็นที่เกิดของบุรุษก็คือผู้ที่ฝึกจิตเรียบร้อยแล้วคําว่าความโกรธที่ที่เหมือนนางควันเนี่ยนะพระหัสนี่ท่านไม่มีความโกรธเหมือนนางควันเนี่ยคาว่าความโกรธก็เกิดโกรธโดยอาการสิบอย่างก็คือโกรธด้วยผูกใจว่าคนโน้นได้ประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราคนโน้นกาลังประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราคนโน้นจักประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราอันนี้เกีก่ยวกับเรื่องส่วนตัวนะ เคยสางความเสียหายกําลังทําความเสียหายจะทําความเสียหายหรือว่าคนโน้นเคยประพฤติความเสียหายากําลังประพฤติความเสียหายจากประพฤติความเสียหายหรือสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เรารักเราชอบใจไอ้คนโน้นมันเคยด่ามีเราเงนะเขามีนะเขามีโยมคนหนึ่งเขาผูกโกรธไอ้คนหนึ่งมากไอ้คนนั้นมันมันตบเมียผมอะ่ะเขาว่ากันพยาบาทมันมากเจอมันชาติไหนปังไหนก็นจะซั์มันอยู่นั่นไะโทษฐาน ล่วงเกินเมียที่รักได้ยังไงนะันะเป็นต้นนะนะอาจจะรักคืออาจจะไปทำหมาฉันทําลูกฉันทําบ้านฉันทาอะไรก็ตามสิ่งที่ตัวเองรักนะนะพ่อแม่พี่น้องบางคนนี่เขาด่าตัวไม่เป็นไรนะแต่ห้ามด่าพ่อใช่ไหมบางคนทนได้นะถ้าด่าฉันเนี่ยทนได้แต่ว่าห้ามล่วงเกินพ่อแม่ฉันนะอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ย ถ, ถูกด่าพ่อล้อแม่เป็นต้นใครที่ไปทําความเสียหายให้แกญาติกับพวกนี้ก็จะกโกรธเนะนะ หรือบางคนเนี่ยโกรธเพราะไอ้นั้นน่ะมันส่งเสริมศัตรูเราเนี่ยนะมันกําลังส่งเสริมศัตรูเรากําลังมันต่อไปเนี่ยมันแนวโน้มมันจะช่วยเหลือศัตรูเรามันอยู่ฝักฝ่ายศัตรูเรามันช่วยเหลือศัตรูเราเนี่ยนะก็เลยโกรธมันเนี่ยนะโกรธมันเพราะช่วยเหลือคู่แข่งเราแต่บางทีก็ไปโกรธในฐานะอันไม่ควรจะไม่ร้อนเกินไปก็โกรธฝนจะตกก็โกรธแดดจะออกก็โกรธเนี่ยนะโกรธเมอ่อลมพัดใบไม้ตกก็โกรธบางคนก็บอกว่าโกรธขนาดว่าลมพัดใบโพตกเขต้องกวาดใบโพก็โกรธเดียวกันนะ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 โรสะนี่มันทำให้เพาะวาจาชั่วโกรธขึ้นมาแล้วเรียกเขาเพาะเพาะหมเรียกคนที่เราโกรธนะอาจจะตอนหน้าอาจจะใช่ใช่ไหมแต่รับหลังไอ้เอาละกันเนี้ยีว่าที่เพาะวาจาชั่วนะคำเร็วๆทั้งหลายก็หลุดมาจากแถวนั้นแหละหรือความไม่พอใจของจิตเนี่ยนะใจไม่พอใจเรียกว่าโกรธความโกรธนี้ก็แบ่งเป็นความโกรธมากโกรธน้อยว่าความโกรธ เป็นแต่ทําให้จิตขุนมัวในบางครั้งก็มีแต่ก็ยังไม่ถึงให้มีหน้าเง้าหน้าเ ง, าางอแค่เครียดเฉยเฉยนะหงุดหงิดแต่ว่าหน้าก็ยังสีหน้าก็ปกติหมด แ, แต่ว่าใจเนี่ยไม่ใช่แล้วใจนี่ไม่หนุกล้ความโกรธทําแต่เพียงทําให้หน้าเง้าเงอในบางครั้งก็มีแต่ไม่ถึงทําให้คางสัน่นบางครั้งเนี่ยคางสันแต่ก็ไม่ถึงกับเปล่งวาจาชั่วบางครั้งเนี่ยเปล่งวาจาชั่วพฤดสวาจาเนี่ยแต่ก็ไม่ถึงกับเลี้ยวดูทิศ ต, ต่างๆ บางครั้งเลียวดูทิศต่างๆแต่ก็ยังไม่ถึงกับจับท่อนไม้และสาตราที่เลี้ยวดูทิศก็คือเลี้ยวดูอาวุธนะนี่มีเครื่องไม้เครื่องมือตรงไหนบ้างแล้วเนี่ยบางครั้งก็ถึงกับจับท่อนไม้สาตราแต่ก็ไม่ถึงกับเงื้อท่อนไม้เงื้อสาตราจับเฉยๆแต่ยังไม่ได้นึกกันนะมีอยู่ครั้งหนึ่งเดินไปบินทบตรก็ก็เห็นเขาคุยกันชมงชงเฉ่งแล้วอีกพักนึ่งนะอันขวาจอบขวาโน่นขวาเนี่จะซัดกันนะนี่คนหนึ่งก็หนีไป นะเออปีนทะบาลก็ยังเห็นอยู่เลยอ่ะมัจะทะเลาะกันให้ได้นะอีกฝ่ายจับจอดอีกฝ่ายก็เผ็ดละนั่นนะบางทีก็ความโกรธก็แรงขึ้นไปกว่านั้นนะบางครั้งก็เงื้อท่อนไม้สาตราแต่ก็ยังไม่ถึงกับฟันตีบางครั้งก็ฟันตีแต่ก็ไม่ถึงก็ให้ฉีกเป็นแผลขาดเนี่ยนะก็ไม่ถึงก็อาจจะให้มันเป็นแผลเป็นริ้วเป็นรอยอะไรบางครั้งก็ทําให้เป็นแผลฉีกขาดแต่ก็ไม่ถึงก็ให้ให้หักให้แหลก ก็ยังไม่ได้ให้หักมือหักแขนหักขาให้มันแหลกละเอียดไปเลยไม่ถึงบางครั้งให้แหลกละเอียดแต่ก็ไม่ถึงกับให้อวัยวะน้อยใหญ่เคลื่อนที่ก็คือแขนขาดขาขาดบางทีก็ทําให้อวัยวะน้อยใหญ่เคลื่อนที่แต่ก็ยังไม่ให้ชีวิตดับเรียกว่าไม่เอาตายนะแค่เกือบตายก็พอบางครั้งนี่ก็ชีวิตดับแต่ก็ความโกรธเป็นไปเทียงทําให้ชีวิตดับในบางครั้งก็มีแต่ก็ไม่ถึงสละ บริจาคอวัยวะทั้งหมดคือตัวเองก็ยังไม่ยอมตายตามะนะก็ยังไม่โกรธ ถ, ถึงที่สุดแต่เมื่อใดความโกรธให้ฆ่าบุคคลอื่นแล้วก็ให้ฆ่าตนเช่นฆ่าเมียเสร็จแล้วก็ฆ่าตัวตามเนี่ยนะฆ่าผัวเสร็จแล้วก็ฆ่าตัวตามอ่ะพวกนี้เมื่อนั้นวความโกรธเป็นสภาพแรงยิ่งถึงเป็นความโกรธที่มีความมากอย่างยิ่งด้วยอาการอย่างนี้คิดดูนะถ้าจะโกรธ ถ, ถึงที่สุดเนี่ยก็คือจะโกรธในสิ่งที่ตัวเองรักที่สุดเนี่ย ถึงกระตุต้นถึงจะยอมฆ่าตัวตายตามเนี่ยนะรู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นอื่นไปใช่ไหมก็นึงจากรักถึงที่สุดฆ่าฝ่ายโน้นเสร็จก็ฆ่าตัวตามแต่ถ้าไปฆ่าศัตรูอื่นจะไม่มีการฆ่ากันตามง่ายๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นแกว่ากโกรธไม่แรงมากแต่ถ้ากับกับสิ่งที่ตัวเองชอบใจที่สุดรักที่สุดเนี่ยอันนี้โกรธโกรธแรงจริงๆนะเพราะว่าความรักเอ่อความโกรธทั้งหลายก็เกิดจากความรักนั่นแหละนะรักวัตถุใดามากก็จะโกรธเพราะอาศัยวัตถุนั้นแหละมาก ความโกรธดังที่กล่าวไปนั้นเนี่ยนะอันพระอารหันตขีนาศละแล้วตัดขาดแล้วสงบระงับแล้วทําให้ไม่เกิดขึ้นอีกเผาเสียจแล้วด้วยไฟคือยานพระอรหันตขีนาศเรียกว่าผู้กําจัดกิเลสเพียงดังควัญนะกำจัดกิเลสนะความชั่วทางกายวาจาใจหรือสมุทัยสัตว์ทั้งหมดความโกรธดังที่กล่าวไปทั้งหมดเนี่ยพระอารหันตท่านกําจัดได้หมดแล้ว พระหันตะขีนาศพจึงเชื่อว่าวิทูมะเพราะเป็นผู้ละความโกรธเพราะเป็นผู้ทำปริญญาในวัตถุแห่งความโกรธคืออาวัตถุแห่งความโกรธที่ตั้งแห่งความโกรธโทษภัยของความโกรธเป็นต้นทั้งหมดมาทำปริญญาได้หมดแล้วเพราะเป็นผู้ตัดขาดซึ่งเหตุแห่งความโกรธเพราะฉะนั้นจึงเชื่อว่าวิทูมะปแยกกำจัดละความโกรธทำปริญญาในความโกรธตัดเหตุแห่งความโกรธได้หมดเลยพระรหันเนี่เรียกว่าอานีโคคือ ไม่มีทุกเนี่ยนะผู้ไม่มีทุกขราคะเนี่ยมันเป็นเหตุให้เป็นทุกันนะโทสะเป็นทุกโมหะเป็นทุกความโกรธความผูกโกรธความลบหลู่ตีเสมอตลอดจนถึงบาปอกุศลทุกชนิดนี่เรียกว่าเป็นทุกทุกทั้งหมดคืออกุศลเหล่านั้นที่มันเป็นเหตุแห่งทุกเนี่ยผ้าหันเนี่ยละแล้วเผาเสร็จแล้วด้วยไฟคือยานอันผ้าหันจึงเรียกว่าผู้ไม่มีทุกขผู้ไม่มีทุกก็คือผู้ทําลายเหตุแห่งความทุก พระรหันเนี่ยเป็นผู้ไม่มีความหวังตันหาเนี่ยเป็นชื่อของความหวังนะราคาสราคาอภิชาโลภากุศลมูลเรียกความหวังความหวังนั้นอ่ะพาหันเนี่ยท่านละแล้วจึงเรียกว่าผู้ไม่มีความหวังพระาหันเนี่ยท่านพ้นจากความเกิดและความแก่คําว่าเกิดก็คือความเกิดเกิดพร้อมก้าวลงบังเกิดความบังเกิดเฉพาะความปรากฏแห่งขันทั้งหลายความได้เฉพาะซึ่งอายตนะทั้งหลายในหมู่สัตว์นั้นเรียกว่าชาติ ก็คือการเกิดขึ้นครั้งแรกในพบต่างๆเนี่ยนะเรียกว่าชาติส่วนพอเกิดหลังจากเกิดมาก็คือแก่ความชื่อเสื่อมความเป็นผู้มีฟันหักผมงอกหนังย่นเสื่อมอายุความแก่หงอมแห่งอินทรีย์ทั้งหลายในหมูสัตว์นั้นแห่งสัตว์นั้นเรียกเรียกว่าชราบรรพารหันตะขีนาศพเหล่านั้นเนี่ยนะเป็นผู้สงบกําจัดกิเลสเพียงดังว่าควนไม่มีความทุกข์ไม่มีความห ว, วัง พผ้รหันตะขีนาศนั้นอนะข้ามได้แล้วข้ามขึ้นแล้วข้ามทั่วแล้วล่วงแล้วล่วงไปพ้นแล้วซึ่งชาติชาราและมรณะเพราะฉะนั้นผ้าหันจึงเรียกว่าเป็นผู้พ้นชาติชาราและมรณะสรุปคาถาที่กล่าวไปว่าเรากล่าวว่าความหวั่นไหวในโลกไหนๆไม่ได้มีแก่ผ้าหันตะขีนาศ น, นะเพราะผ้าหันตขีนาศไม่หวั่นไหวท่านทําปริญญาทั้งฝั่งในและฝั่งโนฝั่งโน่นเนี่นะคือเอา พิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีในในโลกนี้โลกหน้าหมดแล้วเนี่ยนะหรือในทุกพบแล้วพระอรหันตขีณาศพนั้นเป็นผู้สงบสงบกิเลสกำจัดกิเลสเพียงดังว่าควันท่านไม่มีความทุกข์ด้วยอำนาจกิเลสเนี่ยนะท่านเป็นผู้ไม่มีความหวังเพราะฉะนั้นท่านจึงข้ามชาติและชาราได้ข้ามพ้นชาติชารามมรณะได้อันเวลาจบเทสนานี่นะ อ่าแล้ก็ในเวลาจบพระคาถธารรมจัจจสุปราศจากธุรีปราศจากมนทินเกิดขึ้นแล้วแกเทวดาและมนุษย์หลายพันผู้มีฉันทะร่วมกันมีประโยค่ร่วมกันมีความประสงค์ร่วมกันมีวาสนาอ บ, บรมมาร่วมกันกับท่านพระปุณกะมนบเนี่ยนะกับปุณกะพรามเนี่ย คือท่านเหล่านั้นเนี่ยรู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลล้วนแต่มีความดับไปเป็นธรรมดาและก็จิตของท่านพระปุณ ก, กะมานพเนี่ยก็พ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นหนังเสือชดาผ้ากรองไม้เท้าลักจันนะลักจันน้ำผมและหนวดของอาชิตพราหมหายไปแล้วพร้อมกับ ก, บการบรรลุเป็นผ้าอรหันหูน่าปลื้มใจจริงนะเบรรลุเขาเห็นให้เห็นต่อหน้าต่อตาเลยนะข้ามไปต่อหน้าต่อตาเลย ท่านพระปุณกัพราหมณ์นั้นอ่ะเป็นภิกษุครองผ้ากาสายะเป็นบริขารทรงสังขาติบาลและจีวรเพราะการปฏิบัติตามประโยชน์นั่งประนมอัญเชลีนมัสการพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ประกาศว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นาศาสดาของข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นภาษาวกเนี่ยนะแม้ตอบท่านตอบแล้วก็บรรลุเป็นผ้าละหัน์ได้นี่น ของเราได้ยินได้ฟังคำถามคำตอบของท่านเหล่านั้นก็ถือว่าเป็นบุญของเราเป็นอย่างมากแล้วเนี่ย